วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบตุลาคมพุทธศักราชสอง2ห้าสองเป็นช่วงถวายผ้ากระถินให้แก่ผ้าพิกษุที่ได้อยู่จำบรรษา ตลอดระยะเวลาสามเดือนการถวายผ้ากรถินนี้ไม่ได้มีมาตั้งแต่เริ่มต้นของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในยุคแรกๆมีผู้มาบวชเป็นจำนวนไม่มากธรรมเนียมของนักบวชในสมัยนั้น ในเรื่องของการหาผ้าจีวรมานุ่งห่มจะไปหาผ้าในป่าช้ากันเป็นผ้าห่อศพสมัยก่อนสมัยนั้นไม่มีประเพณีฝังศพหรือเผาศพเวลาคนตายเขาจะหอบ ศพด้วยผ้าพันไว้แล้วก็นำเอาไปทิ้งไว้ในป่าชาพอศพเหล่านั้นเน่าเปื่อยแห้งกรอบผ้าที่หอ่อศพยังใช้ประโยชน์ได้พวกที่เป็นนักบวชก็จะไปเก็บผ้าห่อศพเหล่านั้นมาทำ เป็นจีวรเครื่องนุ่งห่มของนักบวชแต่ต่อมามีผู้ที่สนใจที่จะออกบวชกับพระพุทธเจ้าเป็นจำนวนมากจนทำให้ผ้าในป่าชาไม่พอเพียง พระพุทธเจ้าทรงเห็นความอดความขาดแคลนในผ้าจีวรของพระภิกษุที่มาบวชเพราะเห็นว่าบางรูปเวลามาเฝ้าพระพุทธเจ้าก็ต้องเดินฟันฝ่าพฝนมาทำให้ตัวเปียกปอพอเข้าเฝ้าก็ไม่มีผ้าจีวร สำรองไว้เปลี่ยนก็เลยเห็นความทุกข์ยากลำบากของพระภิกษุจึงได้บอกกับญาติโยมให้ถวายผ้าให้แก่พระภิกษุเพื่อที่จะได้เอามาตัดเย็บเป็นผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มของพระนี่คือที่มา ของการถวายผ้ากับถินเดิมทีผ้าไม่ต้องขอจากญาติโยมไปเก็บผ้าเศษผ้าตามถังขยะหรือไปเก็บผ้าในป่าชา้าผ้าที่ไปเก็บในป่าชา้าเราเรียกว่าผ้าบางสกุลซึ่งสมัยนี้ เราก็มีถวายผ้าป่าชา้าแต่เราตัดคําว่าช้าออกไปเหลือแต่คําว่าป่าถวายผ้าป่าความจริงก็มาจากคําว่าป่าช้านี่เองผ้าป่าหรือผ้าป่าช้านี้เป็นผ้าขาวยังไม่ได้ตัดเย็บมาเป็นจีวรยังไม่ได้มาย้อมเป็นสีเหลืองเป็นฆ่า ผ้าขาวๆ เ, เรียกว่าผ้าบางสุกุลนี่คือที่มาของการถวายผ้ากรถินเพราะเ ห, เหตุคือมีความจำเป็นผ้าภิกษุขาดแคลนผ้าที่จะเอามาตัดเย็บจีวรผ้าที่ไปเก็บตามป่าชาไม่พอเพียงต่อการ ใช้ของพระภิกษุที่มีมาบวชกันเป็นจำนวนมากขึ้นไปตามลำดับเนื่องจากการได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าหรือจากภาษาวกของพระพุทธเจ้าแล้วทำให้เกิดศรัทธาที่อยากจะบวชกับพระพุทธเจ้าจึงมีผู้มาบวชกันเป็นจำนวนมาก ผ้าที่จะไปเก็บมาเพื่อมาตัดเย็บเป็นจีวรนะจะกในป่าช้าก็ไม่พอใชเลยต้องมีธรรมเนียมมีการบอกกล่าวให้ญาติโยมทราบว่าตอนนี้พระภิกษุขาดแคลนเรื่องผ้าให้ญาติโยมที่มีศรัทธาที่อยากจะถวายผ้าให้กับพระภิกษุ ให้ถวายได้ในระยะเวลาหนึ่งเดือนคือตั้งแต่วันออกพรรษาคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบ็ดจนถึงวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองที่เราเรียกว่าวันลอยกระทงวันลอยกระทงนี้เป็นวันสุดท้ายของการที่จะถวาย ผ้ากรถินได้และในแต่ละวัดนี้จะรับผ้ากรถินได้เพียงครั้งเดียวเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ต้องการให้มีผ้ามากเกินไปมีมากเกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วผ้านี้ก็ถวายปีละครั้งก็พอไม่เหมือนกับอาหารบิณฑบาต อาหารบิตบาตนี้ต้องถวายทุกวันแต่ผ้าจีวรเครื่องนุ่งห่มนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องถวายทั้งปีถวายปีละหนึ่งครั้งก็พอพระที่ได้รับผ้ามาก็จะเอาไปตัดเย็บเป็นจีวรมาเปลี่ยนผ้าที่เก่าผ้าที่ขาดผ้าที่ใช้ไม่ได้ต่อไป แล้วก็ได้มีการบัญญัติข้อเงื่อนไขในการถวายผ้ากถินว่าต้องถวายให้กับพระที่อยู่จำพรรษาตลอดระยะเวลาสามเดือนและพระที่อยู่จำพรรษาร่วมกันนี้ต้องมีจำนวนห้ารูปขึ้นไปถึงจะสามารถรับผ้ากถินได้ และผ้าที่ได้รับแล้วจะต้องเอาไปตัดเย็บเป็นผ้าจีวรในวันนั้นด้วยการกระทาเหล่านี้เพื่อให้เป็นการทำภารากิจที่จำเป็นแต่ไม่สําคัญเท่ากับภารกิจของการปฏิบัติธรรมไม่ต้องการให้เสียเวลากับการทาภารกิจ ที่ไม่สำคัญแต่จำเป็นต้องทำก็เลยบังคับให้รีบทำให้เสร็จภายในวันนั้นเลยพอญาติโยมถวายผ้าขาวมาผ้ารับมาก็าจะไปเรื่องกันตัดเย็บไปซักไปย้อมให้มันเสร็จในวันนั้นเพื่อที่จะได้มีเอาเวลาไปปฏิบัติธรรม ที่เป็นภารกิจที่สำคัญเป็นภารกิจที่ผู้บวชนี้มุ่งมาเพื่อมาปฏิบัติภารกิจอันนี้คือการปฏิบัติธรรมเพื่อยกระดับจิตใจให้สูงให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดพระพุทธเจ้าจึงต้องตั้งเงื่อนไขไว้ไม่ให้อ่ เสียเวลามากเกินไปการรับผ้าก็ให้รับได้เพียงระยะเหนึ่งเดือนเท่านั้นแล้วก็รับได้ครั้งเดียวเพราะว่าพอเพียงต่อความต้องการรับผ้าไปตัดเย็บไปเปลี่ยนผ้าเก่าก็สามารถใช้ผ้านั้นได้ไปตลอดทั้งปีจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมารับผ้า การหลายๆรอบเพราะว่าจะทำให้เสียเวลาต่อการปฏิบัติธรรมนั่นเองการทำภารกิจเกี่ยวกับการหาผ้านี่เป็นเพียงเอามาสนับสนุนในการปฏิบัติธรรมแต่ไม่ได้เป็นภารกิจที่จะทำให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ จึงทรงบังคับไม่ให้เสียเวลากับการทำภารกิจถึงแม้ว่าจะจำเป็นแต่ไม่สำคัญเท่ากับภารกิจที่จะช่วยทำให้จิตใจของผู้มาบวชได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี่ผู้มาบวชนี้ เราเรียกว่าพระภิกษุคาว่าภิกษุนี้แปลว่าผู้เห็นภัยในการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัตนี้เองผู้ที่มาบวชนี้เป็นผู้เห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบนี้เป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บ ต้องตายต้องพัดภาคจากกันจึงมาบวชกันเพราะมีผู้ที่จะสอนให้ออกจากกองทุก์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษาได้ค้นคว้าจนได้พบทาง ออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้นำเอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปผู้ที่เบื่อกับกานเกิดแก่เจ็บตายก็จะสามารถที่จะมาบวชได้มาบวชเพื่อมาปฏิบัติเพื่อที่จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิด มาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆอย่างที่เป็นกันมาตลอดเวลาพวกเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าพวกเหล่านี้เป็นพวกเกิดแก่เจ็บตายกันแล้วก็ไม่ใช่เกิดแก่เจ็บตายครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นพวกเราเคยเกิดแก่เจ็บตายมาไม่รู้กี่แสนล้านครั้งแล้ว แล้วก็จะเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ที่จะสอนที่จะบอกให้เรารู้ว่าเราเป็นนักเกิดแก่เจ็บตายกันและบอกว่าเหตุที่ทำให้พวกเรามาเกิดแก่เจ็บตายนั้นเกิดจากอะไร และบอกวิธีที่จะทำให้เราสามารถยุติการเกิดแก่เจ็บตายของพวกเราได้พวกเราในที่นี้ขอให้เราเข้าใจว่ายว่าไม่ใช่ร่างกายของพวกเราร่างกายของพวกเรานี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่พวกเราพวกเราที่มาเกิดมาได้ร่างกายนี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย ผู้ที่มาเกิดมาได้ร่างกายนี้คือดวงวิญญาณดวงวิญญาณคือผู้รู้ผู้คิดเวลาที่ได้ร่างกายดวงวิญญาณก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นจิตใจี่พวกเรามีจิตใจมีร่างกายพวกเราเป็นจิตใจผู้รู้ผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆ อย่างวันนี้เราก็สั่งให้ร่างกายมาวัดกันถ้าเราไม่คิดก่อนเราไม่คิดว่าวันนี้วันอาทิตย์เรามีเวลาว่างไม่ต้องไปทําธุระต่างๆไปวัดดีไหมพอคิดไปคิดมาไปวัดน่าจะดีไปแล้วได้ไปทําบุญได้ไปทาใจให้มีความสุขได้ไปศึกษาฟังเทศฟังธรรม ให้เกิดความรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาก็เลยตัดสินใจมาวัดกันก็เลยสั่งให้ร่างกายผู้เป็นเหมือนคนรับใช้เป็นเหมือนม้าที่คนขี่จะสั่งให้ขี่พาไปไหนมาไหนผู้ขี่ร่างกายก็คือจิตใจร่างกายนี้เป็นเหมือนมา้าผู้ขี่ม้าก็คือจิตใจผู้คิดผู้รู้นี่ ผู้คิดผู้รู้ก็สั่งให้ร่างกายออกเดินทางมาวัดกันร่างกายก็พาผู้รู้ผู้คิดมาวัดนะพอมาวัดผู้รู้ผู้คิดก็ได้ทำสิ่งที่อยากทำอยากทำบุญก็ได้ทำบุญอยากฟังเทศน์ฟังธรรมก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมนี่คือร่างกายกับจิตใจนะ เป็นสองคนเป็นเหมือนฝาแฝดเป็นเหมือนม้ากับคนขี่มา้าเป็นคนละคนกันไม่ได้เป็นคนเดียวกันร่างกายเป็นอะไรไปคนคนขี่ร่างกายคือจิตใจไม่เป็นอะไรไปกับร่างกายคนขี่ร่างกายหรือจิตใจนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาจึงไม่รู้ว่า ตนเองนี้ไม่ใช่เป็นร่างกาย huh. พอได้ร่างกายมาก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายคนที่คิดว่าเป็นร่างกายก็คือจิตใจผู้รู้ผู้คิดคือเรานี่แหละพวกเรานี่แหละเป็นดวงวิญญาณที่มาได้รับร่างกายอันนี้พอได้รับร่างกายอันนี้เราก็ไปหลงคิดว่าร่างกายอันนี้เป็นเรา ควจริงมันเป็นผู้รับใช้เราเราเอาร่างกายมาใช้ทำงานต่างๆตามความอยากตามความต้องการของเราเรามีความอยากความต้องการอยู่ในใจที่ฝังอยู่กับตัวเรามาเป็นเวลาอันยาวนานคือความอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะนี่เอง พอเราอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มากระทบกับร่างกายเราเลยไปหาร่างกายกันตอนที่เราเป็นดวงวิญญาณตอนนั้นเราไม่มีร่างกายเพราะว่าร่างกายอันเก่าตายไปเราก็เลยเล่ยล่อนอยู่ใน โลกทิพย์โลกของดวงวิญญาณเพื่อที่จะมารอรับร่างกายอันใหม่จากพ่อแม่คนใหม่ของเราพอเราได้พบกับพ่อแม่คนใหม่กำลังสร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาร่างกายอันใหม่ขึ้นมาเราก็ไปขี่ร่างกายอันนั้นไปจับจองไปเกาะติดกับร่างกายอันนั้นเป็นเหมือนฝาแฝดเ่ เป็นเหมือนแฝดสยามร่างกายกับจิตใจพอเจอกันปั๊บมันก็จะเกาะติดกันไปและจะแยกกันก็ตอนที่ร่างกายตายเท่านั้นตามใดที่ร่างกายยังไม่ตายร่างกายกับจิตใจจะเกาะติดกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนปลาท่องโกก็เห็นปลาท่องโก้ปลาท่องโ ก, งโกไม่ได้มาชิ้นเดียวใช่ มาสองชิ้นมาเกาะติดกันมาอันนี้ก็เหมือนกันพวกเรานี้เป็นดวงวิญญาณตอนที่ไม่มีร่างกายเราเรียกเราตัวเราว่าเป็นดวงวิญญาณพอเราได้ร่างกายเราก็เปลี่ยนชื่อจากดวงวิญญาณมาเป็นจิตใจแต่เป็นตัวเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสถานภาพ เหมือนตอนเป็นเด็กเราก็เรียกเราว่าเด็กหญิงเด็กชายพอเราโตเป็นผู้ใหญ่เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นนายเป็นนางสาวเป็นนางแต่ก็เป็นคนคนเดียวกันฉันใดดวงวิญญาณกับจิตใจนี้เป็นตัวเดียวกันเป็นคนเดียวกันเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันแต่เวลาตอนที่ไม่มีร่างกาย ไม่สามารถที่จะใช้ความคิดสั่งให้ร่างกายพาไปไหนมาไหนได้เพราะไม่มีร่างกายมารับใช้นั่นเองก็เลยต้องรอจังหวะให้มีพ่อแม่คนใหม่สร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาพอสร้างลูกคนใหม่ขึ้นมาในท้องแม่ดวงวิญญาณก็จะไปเกาะติดกับร่างกายอันใหม่นั้นทันที เหมือนเป็นปลาท่องโกไปะไปะไปไปติดกันแล้วก็อยู่แล้วก็จะคลอดออกมาแล้วก็จะมาจะเจริญเติบโตจากเด็กเป็นผู้ใหญ่จากผู้ใหญ่ก็ไปเป็นคนแก่จากคนแก่ก็จะไปเป็นคนเจ็บคนตายตามลำดับต่อไปพอร่างกายตายไป จิตใจที่มาเกาะติดกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันไปเพราะว่าจิตใจไม่ได้ตายเหมือนกับร่างกายร่างกายนี้กลับคืนสู่ที่เดิมร่างกายมาจากไหนร่างกายมาจากธาตุสี่คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟพอมารวมกันก็มาสร้างอาการสาสสอง เนีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าสมองศีรษะน้ำต่างๆน้ำดีน้ำเสลน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเหงือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อ แล้วก็น้ำปัสสาวะนี่คือสิ่งที่ประกอบให้เป็นร่างกายขึ้นมาเราเรียกว่าอาการสามสิบสองอาการสามสิบสองมาได้อย่างไรเป็นขึ้นมาได้อย่างไรก็เป็นมาจากดินน้ำลมไฟที่แม่กินเข้าไปในร่างกายของแม่นั่นเองแม่กินดิดเข้าไปอย่างไรข้าวไงข้าวนี้ทำมาจากดิน ผักก็ทำมาจากดินเนื้อสัตว์เนื้อปลาก็ทำมาจากดินพอปลากับสัตว์ก็กินผักกินข้าวนั่นเองแล้วก็กลายมาเป็นเนื้อสัตว์เนื้อปลาแล้วพอร่างกายของมนุษย์กินเข้าไปก็เอาไปเปลี่ยนเป็นอาการสาสิบสอง ไปทำให้เกิดผมขนเนฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกต่างๆขึ้นมาอ่านี่คือการผลิตร่างกายผลิตจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเหมือนเวลาเราสร้างบ้านนี่เราไม่ได้เอาบ้านเนรมิตขึ้นมาใช่เราเอาวัสดุก่อสร้างมาผสมประสานกันๆๆ เอาดินเอาหินเอาทรายเอาปูนเอาน้ำมาปนกันมาผสมกันแล้วก็ทำให้เราสร้างตัวอาคารขึ้นมาได้เพราะว่านี่คือสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของบ้านถ้าไม่มีปูนไม่มีทรายไม่มีหินไม่มีน้ำไม่มีเหล็กสร้างบ้านไม่ได้ สมัยก่อนสร้างบ้านถ้าไม่มีปูนหินทรายเหล็กก็ใช้ไม้แทนสมัยก่อนเราจะไปตัดต้นไม้มาทําเป็นเสาทําเป็นพื้นทําอะไรต่างๆสมัยนี้เราเปลี่ยนวัสดุก่อสร้างเป็นหินปูนทรายเหล็กน้าแล้วก็วัตถุอย่างอื่นวัสดุอย่างอื่นกระจกหน้าต่างเหล็กกอบเหล็กอะไรต่างๆ ขเขาเหล่านี้เป็นธาตุทั้งนั้นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเนี่ยร่างกายของเราก็เอาธาตุดินน้ำลมไฟเข้ามาข้าวที่เรากินเข้าไปก็เป็นธาตุดินน้ำที่มีอยู่ในอาหารก็เป็นธาตุน้ำเวลาเรากินอาหารมันจะไม่เป็นอาหารแห้งๆหช่ไมมีน้ำมีน้ำแกงมีอะไรนี่ก็เป็นธาตุน้า แล้วถ้าไม่พอเราก็ดื่มน้ํากันอีกเรายังมีน้ําเปล่าให้ดื่มมีเครื่องดื่มต่างๆอันนี้เราเอาธาตุเข้ามาเสริมร่างกายแล้วลมเราก็เอาเข้ามาทางจมูกคือลมหายใจหายใจเข้าหายใจออกเราต้องเอาลมมาผสมกับธาตุน้ําธาตุธาตุดินที่เข้าไปในร่างกาย เพื่อที่จะได้ผลิตอาการ32ขึ้นมาถ้าดูแล้วร่างกายเหล่านี้เป็นเหมือนโรงงานโรงงานผลิตรถยนต์ร่างกายเหล่านี้เป็นโรงงานผลิตร่างกายของตนเองโรงงานผลิตรถยนต์เขาก็ไม่ได้ได้รถยนต์มาเวลาเขาต้องการผลิตรถยนต์เขาก็ไปเอาวัสดุที่จะมาประกอบเป็นรถยนต์ ไปเอาเหล็กไปเอายางไปเอากระจกไปเอาสายฟงสายไฟอะไรต่างๆมาประกอบกันจนในที่สุดก็ปรากฏเป็นรถยนต์ขึ้นมาร่างกายเราก็เอาดินน้ำลมไฟเข้ามาในร่างกายแล้วก็มาผลิตมาต่อเติมอาการสาสบสองให้ผมเรายาวขึ้นไป ให้เล็บเรายาวงอกออกมาให้ร่างกายแข็งให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นเห็นหั้ยตอนที่ออกมาจากท้องแม่ในตัวนิดเดียวแล้วพอกินน้ำกินนมกินอาหารหายใจเข้าไปมันก็เจริญเติบโตขึ้นไปกระดูกก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแขนก็ยาวขึ้นขาก็ยาวขึ้น ร่างกายเนื้อหนังก็มากขึ้นอวัยวะในร่างกายก็ใหญ่ขึ้นหัวใจก็ใหญ่ขึ้นปอดก็ใหญ่ขึ้นอันนี้เกิดจากการที่เราเอาดินน้ำลมไฟเข้าไปในร่างกายในรูปแบบของอาหารในรูปแบบของลมหายใจในรูปแบบของน้ำถ้าเรามองแบบนี้เราก็สามารถสรุปได้เลยว่า ร่างกายทั้งร่างนี้เป็นเพียงดินน้ํานมไฟเท่านั้นเองไม่มีตัวเราอยู่ในร่างกายนี้เลยคำว่าตัวเรานี้เราไปสมมุติขึ้นมาเองเท่านั้นเองเหมือนเราซื้อตุ๊กตามาให้ลูกแล้วก็ลูกมันก็สมมติว่าตุ๊กตาตัวนี้คือหนูหรือตุ๊กตาตุ๊กตาตัวนี้คือเพื่อนของหนูเป็นเพียงความคิด เป็นความสมมุติขึ้นมาแต่ตัวตุ๊กตามันไม่ได้เป็นไปตามที่เราสมมุติเราเพียงแต่ไปสมมุติไปไปพูดเฉยๆนั่นเองความจริงตุ๊กตามันก็เป็นเพียงวัดสดุท ร, รมาจากวัดสดุที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรร่างกายนี้ก็เหมือนกันไม่มีความรู้สึกนึกคิดผู้ที่มามีความรู้สึกนึกคิด คือผู้รู้ผู้คิดคือจิตใจนี่เองคือพวกเรานี่แหละที่พอมาได้ร่างกายแล้วก็เลยมารับรู้ความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายเวลาร่างกายเจ็บท้องก็รู้ขึ้นมาว่าตอนนี้ร่างกายเจ็บท้องเวลาร่างกายปวดศีรษะก็รู้ว่าตอนนี้ร่างกายปวดศีรษะแต่เราเพียงแต่รับรู้เท่านั้นเอง เราไม่ได้ปวดศรีรษะไปกับร่างกายไม่ได้ปวดท้องไปกับร่างกายแต่ความหลงของเราที่ไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายก็เลยทำให้เราคิดว่าเรากำลังปวดท้องเรากำลังปวดศรีรษะกันแล้วเราก็ทุกข์กับการปวดกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายไปโดยโดยใช่เหตุ ความจริงเราไม่ต้องทุกไม่ต้องเดือดร้อนไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเลยถ้าเราไม่หลงถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเหมือนเวลาคนอื่นเขาเจ็บท้องเราเจ็บท้องไปกับเขาหรือเปล่าเวลาคนอื่นเขาปวดศีรษะเราปวดศีรษะไปกับเขาหรือเปล่าเราไม่ปวดเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นเขาอ่ะเขาปวดท้องก็เรื่องของเขาเขาปวดศีรษะก็เรื่องของเขา เราเป็นเพื่อเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ว่าเวลานี้คนนี้เขาปวดศีรษะเขาปวดท้องเราก็รับรู้เท่านั้นเองแต่เรารู้ว่าเราไม่ได้เป็นอะไรไปกับเขาแต่กับร่างกายของเรานี้เรากลับไปหลงคิดว่าเราเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรเราก็เลยคิดว่าเราเป็นไปกับร่างกาย เราก็เลยปวดไปกับร่างกายเจ็บไปกับร่างกายทั้งๆที่เราไม่ต้องปวดไม่ต้องเจ็บไปกับร่างกายเลยนี่แหละคือความหลงหรือความไม่ร really> ad ู้ความจริงที่เรียกว่าอวิชชาไม่รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายไม่รู้ว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรเราไม่ได้เป็นไปกับร่างกาย เราไม่เคยแก่ไม่เคยเจ็บไม่เคยตายเพราะเราไม่มีรูปร่างเหมือนกับร่างกายเราไม่เคยเกิดเราไม่เคยตายเราเป็นผู้รู้ผู้คิดอยู่ตลอดเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นไม่มีจุดสิ้นสุดคือพวกเราเนี่ยพวกเรานี้เป็นจิตใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเอง ไม่ว่าเราจะได้ร่างกายมากี่ร่างไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องเสียร่างกายที่เราได้ไปชาตินี้เราได้ร่างกายอันนี้มาเดี๋ยวไม่นานร่างกายอันนี้ก็จะถึงจุดดับของมันถึงจุดดับคือจะมันจะหยุดหายใจนั่นเอง พอมันหยุดหายใจมันก็กลับคืนสู่สภาพเดิมค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมเวลาคนตายนี้ลมก็ไม่เข้าไปในร่างกายแล้วลมมีแต่จะแยกออกจากร่างกายลมที่เราได้ได้สัมผัสจากกลิ่นของร่างกายนี้ก็คือธาตุลมเนี่ยเวลาเราใกล้อยู่ใกล้ศพนี่เราจะได้กลิ่นที่ไม่พึงปรารถนา นั่นคือธาตุลมของร่างกายที่กําลังระเหยออกมาธาตุไฟของร่างกายก็หายไปเวลาเราไปจับร่างกายคนตายนี่เย็นเฉียบเลยไม่เหมือนกับคนเป็นคนเป็นนี้จะไม่ร่างกายจะไม่เย็นร่างกายจะมีอุณหภูมิมีความร้อนเพราะยังมีธาตุไฟหล่อเลี้ยงอยู่แล้วถ้าปล่อยให้ศพ เน่าออเปือ่อยต่อไปน้ําในร่างกายมันก็จะไหลออกมาน้ําชนิดต่างๆน้ําเลือดน้ําหนองน้ําอะไรที่มีอยู่ในร่างกายมันก็จะไหลออกมาตามทวารต่างๆจนต่อไปน้ําก็หายไปหมดก็เหลือแต่ส่วนที่เป็นส่วนแข็งเราก็เรียกว่าดินนะทิ้งไว้นานๆมันก็แห้งกรอบแล้วก็ผุพังกลายเป็นดินไปนะนี่คือ ร่างกายที่พวกเราคิดว่าเป็นตัวเราความจริงมันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นเพียงตุ๊กตาหรือเป็นม้าที่เราเอามาใช้สอยเท่านั้นเองเอามาขี่เอามาพาเราไปทำอะไรต่างๆแต่ความหลงของเราความโง่ของเรานี้มันทำให้เราไปทุกข์กับร่างกายโดยใช่เหตุ พอเมื่อเราไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเราก็อยากจะให้มันดีนั่นเองเราอยากจะให้มันสวยอยากให้มันหลอ่ออยากจะให้มันรูปร่างหน้าตาดูแล้วมีคนรักคนชอบอเพราะเราได้รักความสุขเวลาคนที่เขามารักมาชอบร่างกายเรานั่นเองเพะเวลาเขามารักมาชอบเขาก็มาเอาอกเอาใจเรา เอาข้าวเอาของเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาให้เราแล้วนี่เราก็เลยอยากให้ร่างกายมันดีมันสวยมันงามแต่ธรรมชาติของร่างกายมันก็ไม่สวยไม่งามไปตลอดมันเดี๋ยวก็ต้องแก่เดี๋ยวหนังก็ต้องเหี่ยวผมก็ต้องหงอกหนังก็ต้องคล่อมพอถึงเวลานั้นก็ไม่มีใครมารากมาชอบเราแล้ว ก็จะไม่มีใครมาเหลียวแลมาเอาอกเอาใจเราเราก็เลยกลัวความแก่กันไม่อยากแก่กันพอแก่แล้วเราเหมือนกับหมดราคาหมดคุณค่าหมดราคาถ้าเป็นสินค้าก็ไม่มีใครซื้อนั่งไว้ในร้านกี่เดือนกี่ปีก็ไม่มีใครไปแตะมีแต่จะไปหยิบของใหม่ๆของสดๆ น, น้อนๆ ของเก่าของแก่พอดูวันหมดอายุโอ้ยไมเอาแล้วหมดอายุแล้วอันนี้ก็คือร่างกายความหลงของเราที่เราไปยึดติดกับร่างกายและหวังให้ร่างกายเป็นผู้หาความสุขให้กับเราเราก็เลยต้องทุกข์กันเราจรึงไม่อยากแก่กันแล้วยิ่งเวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วย เราก็ไม่สามารถใช้ร่างกายพาให้เราไปทำอะไรต่างๆอย่างที่เราเคยทำได้เคยไปหาความสุขจากการดูหนังฟังเพลงจากการไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปนอนกับคนนั้นคนนี้พอเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ทำไม่ได้ละมันก็เลยทำให้เราเหงาเราเศราเ้าเราก็เลยไม่อยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยกัน เราก็เลยทุกเนี่ยถ้าทุกมากๆบางทีเราก็คิดสั้นกันคิดฆ่าตัวตายกันอันนี้คือปัญหาที่เกิดจากความหลงความไม่รู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราไม่พึงอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพอเราสามารถหาความสุขในตัวเราเองได้ แต่เราก็ไม่รู้อีกเราก็ไม่รู้ว่าความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะหาจากร่างกายนี้มีอยู่ในตัวของเราเองแต่เราจะรู้พวกเรื่องราวเหล่านี้ได้ก็ต่อเมื่อเราได้มาเจอคนรู้คนฉลาดพระพุทธเจ้านี้เป็นผู้รู้ผู้ฉลาดคาว่าพุทธะแปลว่าอะไรก็แปลว่าผู้รู้นี่เอง ผู้รู้ความจริงของจิตใจและของร่างกายรู้ว่าร่างกายเป็นเพียงดินน้ำนมไฟอไม่มีตัวไม่มีตนรู้ว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่จะทําให้เกิดความทุกข์ตามมาเพราะร่างกายจะไม่สามารถที่จะหาความสุขให้ได้ตลอดเวลา พอเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เวลานั้นก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจผู้ที่ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขแล้วก็รู้ว่าใจนี้สามารถหาความสุขในตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมีร่างกายวิธีทาให้มีวิธีที่จะพบกับความสุขภายในใจ ก็คือต้องกลับดึงใจกลับเข้าข้างในดึงใจออกจากร่างกายให้ยกการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต้องเปลี่ยนวิธีวิธีนี้ไม่ดีเอาวิธีนี้ดีกว่าเหมือนกับอยู่บ้านหลังนี้ไม่ดีย้ายบ้านดีกว่าบ้านเก่านี้บ้านหลังนี้มีแต่คอยน้ําจะท่วมมีแต่มีแต่ มันจะเสียนั่นเสียนี่ฝนตกก็รั่วน้ำฝนตกมากก็รุ่น้ำก็ท่วมไม่ปลอดภยัยประตูบางทีก็เปิดได้ปิดไม่ไดเ้เปลี่ยนบ้านดีกว่าไปเปลี่ยนบ้านที่ปลอดภยัยบ้านที่สมบูรณ์ดีกว่ า, อ, าอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ว่าการหาความสุขผ่านทางร่างกายนี้ เป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนหาได้บ้างหาไม่ได้บ้างเวลาหาไม่ได้ก็ทําให้เราเศร้าเราเหงาเราทุกข์กันแต่พอเราทรงรู้ว่าเราสามารถหาความสุขในตัวของเราได้ที่เป็นความสุขที่แน่นอนเป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลามีได้ตลอดเวลา เนี่ยเราต้องมาเจอพระพุทธเจ้าผู้รู้ความจริงเพื่อที่จะมาสอนให้เราเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกันเพราะร่างกายมันจะไม่ทำไม่สามารถหาความสุขให้เราได้ตลอดเวลาเวลาที่มันไม่หาความสุขให้เรามันก็ให้ความทุกข์กับเราให้เราเปลี่ยนวิธีมาหาความสุขกัน ให้มาหาความสุขภายในตัวเราดีกว่าภายในใจเราวิธีหาความสุขภายในใจท่านก็รู้ว่าทำอย่างไรท่านก็สอนว่าอยากจะให้ใจเรามีความสุขให้เรามาหยุดความคิดกันหยุดคิดเท่านั้นเองทำไมชอบคิดกันนักหนาคิดแล้วมันได้อะไรบ้างคิดแล้วรวยหรือเปล่าคิดก็ไม่รวยคิดไม่ได้อะไรแต่ชอบคิดกันมากเกินคิดแล้วมีความสุขหรือเปล่าคิดแล้วก็ทุกข์กัน ไปคิดมันทำไมหยุดคิดดีกว่าหยุดคิดแล้วจะทำให้รวยรวยแบบมหารวยยิ่งกว่ามหาเศรษฐีถ้าเราหยุดคิดได้ว่เาเวลาเราหยุดคิดนี้เราจะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขของมหาเศรษฐีนั่นเองถ้าเอาความสุขที่เราได้จากการหยุดคิดนี้มาเปรียบเทียบกับความสุขของมหาเศรษฐีก็เป็นเหมือนกับเราก้อนห็นไป ไปเปรียบกับเพชรนี่เองระหว่างก้อนหินกับเพชรนี้อันไหนมีราคามากกว่ากันคิดดูถ้าก้อนหินทักขนาดกำปั้นนี้กับเพชรขนาดกำพันนี้ราคามันจะต่างกันเท่าไหร่ข น, ขนาดเม็ดขนาดเม็ดนิดเดียวถ้าจะมองไม่เห็นนี่ยังเป็ น, เ ป, นเป็นพันเป็นหมื่นไหมใช่ไหมเพียงเม็ดเล็กๆเกนี่ยถ้าจะมองไม่เห็นเนี่ยครึ่งการลัดหรื อ, อะไรเนี่ย ราคาก็เป็นพันเป็นหมื่นแล้วแล้วถ้ามันเป็นขนาดกาปั้นเนียมันราคาจะขนาดไหนกันนั่นแหละคือความสุขที่เราจะได้รับจากการที่เรามาหยุดความคิดกันมาทำใจให้สงบกันแล้วเราจะได้ความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขของมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกเศรษฐีมาความสุขของมหาเศรษฐี ถ้ามาเทียบกับความสุขที่เราได้จากการหยุดความคิดก็เหมือนกับเอาก้อนหินมาเปรียบเทียบกับกับเพชรดีๆนี่เองเอเพชรขนาดเดียวกันกับก้อนหินขนาดเดียวกันนี่เอาไปขายราคาต่างกันไหมก้อนหินนี่ขายบาทหนึ่งไม่รู้จะใครจะซื้อหรือเปล่าแต่เพชรนี่ถ้าขนาดก้อนหินนี่ถ้าขนาดกำปั้นนี้ไม่รู้กี่ร้อยล้านกี่พันล้านบาท นี่คือสิ่งที่เราจะได้รับถ้าเราหยุดความคิดของเราได้หยุดความคิดแล้วทำให้เรารวยทำให้ไม่หยุดกันหยุดความคิดแล้วทำให้เราสุขทำให้ไม่ไม่หยุดกันคิดแล้วทำให้เราทุกข์คิดไปทำไมกันคิดแล้วทำให้เรายากจนคิดไปทำไมเพราะเราโง่ไงเราไม่รู้เรียกว่าความหลง ว่าคิดแล้วจะทำให้รวยกันไหมคิดกันใหญ่หาเงินอย่างไงทำอย่างไงจะได้ร่ําได้รวยงวดนี้เลขจะออกเลขอะไรมันต้องคิดกันก่อนฮะคิดแล้วก็ไปซื้อเลขนั่นกันพอซื้อแล้วไปไงถูกกินรวบหมดทูกอีกอยู่ดีๆก็เอาเงินไปให้เขาเฉยๆเก็บไว้ยังถ้าหยุดคิดก็จะได้ไม่ไปซื้อเลขกันไม่ซื้อเลขก็ยังไม่เสียเงินกัน ยังมีเงินซื้อขนมกินอยู่แต่พอเอาไปซื้อเลขปั๊บไม่ถูกก็สูญไปเลยเงินกินขนมก็ไม่มีเลยไม่มีกินขนมไม่มีเงินใช้เลยนี่แหละความคิดคิดไม่เป็นไม่รู้ว่าความคิดนี้กับการหยุดคิดนี้เหมือนกับก้อนหินกับก้อนเพชรนี่แหละถ้าเราหยุดหยุดคิดได้เราจะได้ก้อนเพชรถ้าเราคิดเราจะได้ก้อนหินจะเอาอย่างไหน นี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราได้มาพบกับผู้รู้คือพระพุทธเจ้าเนี่พอเราได้รู้แล้วว่าพระพุทธเจ้าบอกให้หยุดคิดอย่าคิดให้รู้เฉยๆเห็นอะไรก็ให้รู้เฉย ๆ, ไ, ๆได้ยินอะไรก็ให้ได้ยินเฉยๆอย่าโลภอย่ากโกรธเนี่ยส่วนใหญ่เรามันเฉยๆไม่ได้พอเห็นเพชร่อยเนี่ยตาโลภตาวาวโลภขึ้นมา พอเห็นอุจจาระก็ลังเกียจมันขึ้นมาทันทีทำไมเห็นเฉยๆไม่ได้รู้มันเฉยๆไปแล้วใจเราจะได้ไม่แกว่งเข้าใจไหถ้าเราเห็นต้องไม่เฉยนี่ใจเราแกว่งเห็นอะไรสวยอยากได้ก็โลภขึ้นมาแล้วพอไม่ได้ก็เสียใจเห็นไหเห็นอะไรที่เราไม่ชอบอยากจะให้มันหายไปพอมันไม่หายไปก็ทุกข์ใจขึ้นมาอีก แต่ถ้าเราเห็นแล้วเราเฉยๆนะอย่าไปคิดว่ามันดีไม่ดีรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นะ่ะมันมีอยู่ในนี้มันมันอยู่ของมันมาอย่างนี้ตั้งตั้งดั้งเดิมแล้วเราเพียงเพิ่งมาพบมันเท่านั้นเองเราไม่ต้องไปลักไปชังมันไม่ได้หรือนะี่ความหมายของพุทธเจ้าให้เรามาหยุดลักหยุดชังกันหยุดความคิดลักความคิดชังกันให้รู้เฉยๆ แล้วสิ่งที่เรารู้มันจะไม่เป็นปัญหากับเรามันจะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราการที่เราจะเฉยได้เราต้องมาฝึกหยุดความคิดกันก่อนเพราะว่าตอนนี้เราหยุดไม่ได้พอเห็นอะไรปั๊บมันจะคิดทันทีเห็นอะไรมันชอบมันก็อยากได้ทันทีเห็นอะไรมันไม่ชอบก็อยากจะกำจัดทันทีพอทำทาไม่ได้ก็ทุกข์ก็เสียใจ แต่ถ้าเราหยุดคิดได้ต่อไปเห็นอะไรที่เราชอบก็เฉยเสียเห็นอะไรที่เราไม่ชอบก็เฉยเสียแล้วมันก็ผ่านไปเห็นแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมันไม่ได้เห็นตลอดวันตลอดคืนที่ไหนเห็นอะไรปั๊บเดียวเดี๋ยวเดีย ว, ยวมันก็ผ่านไปแล้วพอมันผ่านไปเราก็ปลอดภัยจากความทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปรักไปชังไปอยากกับมันนั่นเองอนี่คือวิธีการ ที่จะทำให้เรานี้หมดทุกข์หมดโศกได้พบกับความสุขที่แท้จริงนะได้พบกับความสุขที่ถาวรที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าถ้าเราสามารถหยุดคิดได้เรามีความสุขในตัวเราแล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายไปหาความสุขเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกาย เราได้ก้อนเพชรแล้วเราไปเอาก้อนหินทำไมถ้าเราได้พบกับความสุขที่เกิดจากการหยุดคิดแล้วเราจะไม่อยากไปหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะมันสู้กันไม่ได้ความสุขของเพชรกับความสุขของก้อนหินนี่มันต่างกันชั้นใดความสุขใจก็ต่างกับความสุขกายฉนนั้นพอเราสามารถหาความสุข จากใจได้แล้วเราก็เลิกหาความสุขจากร่างกายพอเราไม่ต้องใช้ร่างกายเราก็ไม่ต้องไปกังวลกับมันละมันจะแก่ไม่แก่มันจะสวยไม่สวยก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะเราไม่ต้องอาศัยมันเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราะ ถ้าเรายังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมืออยู่เราก็ต้องพยายามทำให้มันสวยอยู่เรื่อยๆใช่ไหมเพื่อให้คนเขาลักเขาชอบเราแล้วเขาจะได้ให้ให้ความสุขกับเราแต่พอเราไม่สวยไม่งามแล้วเขาก็ไม่อยากจะมายุ่งกับเราแล้วเขาก็จะไม่สนใจเราเขาก็จะปล่อยให้เราอยู่คนเดียวไป พอเราอยู่คนเดียวไม่มีใครมาคอยให้ความสุขกับเราเราก็เหงาเราก็เศร้าเราก็เลยกลัวความแก่กันกลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยกันกลัวความตายกันความกลัวนี้ก็คือความทุกข์ใจร่างกายมันไม่กลัวนะตัวร่างกายมันเองมันไม่กลัวแก่มันไม่กลัวเจ็บมันไม่กลัวตายเพราะมันไม่รู้ว่ามันแก่มันเจ็บมันตายะ มันเหมือนต้นไม้เนี่ยต้นไม้มันไม่รู้ว่ามันเป็นเมื่อมันตายใครเอามีดไปฟันต้นไม้ต้นไม้มันไม่ร้องมันไม่บ่นนะันใดร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอะไรมันไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตายผู้ที่เดือดร้อนก็คือใจที่ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับใจเท่านั้นเองแต่พอใจสามารถหาความสุข ด้วยวิธีอื่นได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขทีนี้ก็ไม่เดือดร้อนแล้วร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะสามารถหาความสุขจากการหยุดคิดได้ทุกครั้งต้องการให้ใจมีความสุขก็หยุดคิดนั่งหลับตาแล้วก็คอยควบคุมความคิดพอมันคิดก็หยุดมันพอมันคิดก็หยุดมัน พอหยุดมันปป๊บเดี๋ยวมันก็หยุดเหมือนรถเนี่ยรถเวลามันวิ่งเราต้องการให้มันหยุดเราทํำยังไงเราก็คอยเหยียบเบรกไปเรื่อยๆเหยียบไปอย่าปล่อย break. เบรกเหยียบไปเดี๋ยวไม่ชาม้ารถมันก็ต้องหยุดนี่แหละคือสิ่งที่พวกเราไม่รู้กันและจะไม่มีวันรู้ถ้าเราไม่ได้มาเจอกับพระพุพทธพระธรรมหรือพระสงฆ์ผู้ที่เป็นผู้รู้จริง ผู้ที่รู้ปัญหาของเราว่าเป็นอะไรผู้ที่รู้ว่าเราเป็นใครรู้อะไรหลายอย่างที่เราไม่รู้กันนะเรื่องต้นก็รู้ว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายรู้ว่าเราเป็นจิตใจที่ก่อนจะมาได้ร่างกายเราเป็นดวงวิญญาณแล้วพอเราได้ร่างกายเราก็เป็นจิตใจแล้วเราก็ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา แต่ร่างกายก็ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้ตลอดเวลาบางเวลามันก็ไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เวลานั้นเราก็เลยมีความทุกข์กันนี่คือปัญหาของพวกเราแต่พอเรามาพบกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็บอกว่าหนึ่งเราไม่ได้เป็นร่างกายร่างกายไม่ได้เป็นเรา มันจะเป็นอะไรเราห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ไม่มีผลกระทบกับเราพูดยังไงเหมือนเรารู้ใช่ไหมว่าเวลาคนอื่นตายเขามีผลกระทบกับเราั้ยไม่มีเลยคนที่เราไม่เกี่ยวข้องคนที่เราไม่รู้จักด้วยนี่มีคนตายอยู่ทุกวันนี้เราร้องห่มร้องไห้กันหรือเปล่าเดือดร้อนกันหรือเปล่ากับคนตายกับคนนั่นตายคนนี้ตาย เราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรเราไม่ได้ใช้เขาเราไม่ได้อาศัยเขาให้ความสุขกับเรานั่นเองแต่คนไหนที่เราอาศัยเขาให้ความสุขกับเราเราเดือดร้อนเช่นคนนี้เขาเป็นคนคอยให้เงินเดือนเราใช้ทุกเดือนถ้าลองเขาตายไปนี่เราเดือดร้อนไหเดือดร้อนขึ้นมา ท, าทันทีเราก็จะวุ่นวายพอเรารู้ว่าคนนี้จะตายเน่างกายก็เหมือนกัน ร่างกายนี้เราก็อาศัยมันพาเราไปหาความสุขต่างๆพอมันไม่สามารถหาความสุขให้กับเราได้เราก็เดือดร้อนกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปใช้ร่างกายก็ได้เรามาใช้เรามาหาความสุขในใจเราดีกว่าในตัวเราดีกว่าหาความสุขด้วยการมาหยุดความคิดขอหยุดความคิดเมื่อหยุดได้แล้วความสุขจะเกิดขึ้นมาในใจ และเราจะได้ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราพอเราไม่ต้องอาศัยร่างกายมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนเหมือนคนที่เขาเคยช่วยเหลือเราทุกเดือนให้เราเดือนแล้วให้เงินเดือนเราใช้แต่ต่อมาเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเรามีเงินมากกว่าเงินที่เขาให้เราเราก็ไม่ต้องอาศัยเงินของเขาก็ได้ ้พอเราไม่ต้องอาศัยเงินของเขาเขาจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันให้เรามาถูกรางวัลที่หนึ่งของใจดีกว่าถ้าเราถูกรางวัลที่หนึ่งของใจแล้วเราจะรวยยิ่งกว่ามาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกแล้วพอเรารวยแบบนั้นแล้วทีนี้เราไม่ต้องมาอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาไปหาความสุขต่างๆให้กับเรา พอเราไม่ต้องอาศัยร่างกายร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายจะสวยไม่สวยไม่เป็นปัญหาเพราะเรามีความสุขในตัวเรามีความสุขที่เกิดจากการหยุดความคิดของเรานี่แหละคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบแล้วก็ทรงสอนให้พวกเรามาแก้ไขปัญหาของพวกเรานั่น ทุกวันนี้พวกเราอยู่กันแบบสุขสุขทุกทุกใช่ไหมสามวันดีสี่วันไข้วันไหนที่ร่างกายสามารถพาพเราไปหาความสุขได้วันนั้นเราก็มีความสุขพอวันไหนร่างกายไม่สามารถพาเราไปหาความสุขได้วันนั้นเราก็มีความทุกข์กันนี่คือปัญหาของพวกเราจะเป็นอย่างนี้ไปจนวันตายถ้าเราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเมันก็จะสุขทุกสลับกันไป นั่นมันจะทุกข์มากขึ้นไปเมื่อร่างกายแก่มากขึ้นมากขึ้นเพราะความสามารถที่จะหาความสุขมันลดน้อยถอยลงไปนั่นเองความทุกข์ต่างๆมันจะประดังเข้ามามากขึ้นมากขึ้นจนบางทีคนแก่นี่ไม่อยากจะอยู่กันเนี่ยโลกที่เขาพัฒนาทางด้านวัตถุกันนี้เขาสามารถใช้ร่างกายหาความสุขตอนที่ร่างกายแข็งแรงได้ แต่พอร่างกายแก่ร่างกายเจ็บนี่ไม่สามารถใช้ร่างกายได้เขาก็อยากจะฆ่าตัวตายเงี้ยอย่างนี้มีพยายามออกกฎหมายให้ฆ่าตัวตายให้หมอช่วยฆ่าตัวตายได้ให้หมอฉีดยาให้ตายได้ไม่ผิดกฎหมายเพราะเขาอยู่แล้วไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ไปทําไมอยู่แล้วทุกข์เพราะไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้ นอกจากไม่สามารถใช้ร่างกายหาความสุขได้แล้วตัวร่างกายเองมันก็มาสร้างความทุกข์ให้ด้วยทุกข์ด้วยกด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเดี๋ยวต้องไปฉายแสงกันเดี๋ยวต้องไปคีมโมกันไม่รู้จะอยู่ไปทำไมถ้าอยู่แบบนั้นก็คิดค่าตัวตายกันดีกว่าแต่เขาไม่รู้ว่าถ้าฆ่าตัวตายก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเพิ่มขึ้นมาอกีกโดยไม่รู้สึกตัว เพราะการทำบาปนี้เป็นเหตุที่จะทำให้ใจทุกข์มากขึ้นไม่ใช่ทำให้ใจทุกข์น้อยลงนะจะทุกข์ต่อไปหลังจากที่ร่างกายตายไปจะเป็นดวงวิญญาณที่หุ้มห่อด้วยความทุกข์ถ้าฆ่าตัวตายถ้าตายโดยธรรมชาติจะไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าตัวตายไปหุ้มห่อจิตใจเห็นเวลาทุกข์กับร่างกายก็ทนมันไปดีกว่าหรือถ้ารู้จากวิธีหาความสุข ด้วยการหยุดความคิดก็มาหยุดความคิดกันดีกว่าเวลาไม่สบายเวลาเป็นโรคที่หมอบอกรักษาไม่หายหรือหรือว่าจะต้องตายนี้เรายังสามารถหาความสุขได้ถ้าเรารู้จักวิธีหยุดคิดกันเรามาหัดหยุดคิดกันถ้าหยุดคิดแล้วใจจะไม่ทุกข์ใจจะมีความสุขร่างกายจะเป็นอะไรนี้ไม่เป็นปัญหา คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดจะรู้เนี่ยพระพุทธเจ้าตัดจะรู้อะไรก็สัจจะรู้ความสุขที่แท้จริงที่ถ้าวรที่เกิดจากการหยุดความคิดนี่เองแล้วก็ทรงนําเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้กับพวกเราที่ไม่รู้ให้เราเลิกหาความสุขจากจากทางร่างกายกันแล้วมาหาความสุขทางใจมาหาความสุขจากการหยุดคิดกัน แล้วก็สอนวิธีหยุดคิดก็คือให้เราให้เรานึกถึงคำใดคําหนึ่งเช่นพุโทโธถ้าเราอยากจะหยุดคิดให้ ค, คิดแต่คําว่าพุโทโธพุโทโธถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธใจก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ พอไม่สามารถคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็หยุดคิดเองพอหยุดคิดเราก็หยุดพูดโทได้เพราะพูดโทนี้เป็นเหมือนเบรกเบรกรถยนต์เบรกจิตใจเราต้องเหยียบเบรกรถยนต์เวลาที่เราต้องการให้รถบรรจัดพอรถบรรจอ ด, อ ด, รรจอดมันนิ่งแล้วเราก็ปล่อยเบรกได้ทันใดพูดโทก็แบบนั้นตอนถ้าเราคิด เราก็หยุดมันด้วยพุโทโธไปสู้กับมันมันจะคิดเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปท่านเบื่อก็เปลี่ยนเป็นสวดมนต์ไปก็ได้สวดอิติปิโสผักกาวาอาลังสัมมาสวดไปหลายหลายรอบหลายๆจบสวดไปจนกว่ามันจะไม่คิดถึงคนนั้นคนนี้ไม่คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่คิดถึงการที่จะเอาร่างกายไปหาความสุขเนี่ยเราต้องการหยุดความคิดอันนี้เท่านั้นเน่ย คือความคิดที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขจากคนนั่นคนนี้จากสิ่ง น, นั้นสิ่ง น, นี้เท่านั้นเองพอเราหยุดความคิดแบบนี้ได้แล้วใจเราก็จะสงบใจเราก็จะเกิดความสุขขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนะถ้าเราทำได้ต่อไปเราเลิกใช้ร่างกายได้พอร่างกายอันนี้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่แล้ว พราะเรามีความสุขได้โดยไม่มีร่างกายเราสามารถหาความสุขจากการหยุดคิดของเราได้เราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดใหม่อีกต่อไปเพราะการเกิดมันไม่ดีเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายระหว่างที่เกิดมาก็ต้องทุกขกับการกินอยู่ห า, หาข้าวหาปลาหาน้ำหาอะไรมาคอยเลี้ยงดูร่างกาย ตลอดเวลาการมีร่างกายจึงไม่ไม่ดีไม่ไม่มีร่างกายนี้กับดีกว่าจะไม่มีร่างกายได้ก็ต้องรู้จักวิธีหยุดคิดเพราะว่าถ้าเราหยุดคิดได้แล้วเราจะได้มีความสุขนี่แหละคือเรื่องของตัวเราที่เราไม่รู้กันเราจะรู้ต่อเมื่อเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้า หรือตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคําสอนที่มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกหรือพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าที่รู้ว่าวิธีที่จะแก้ปัญหาของพวกเราก็คือการมาหยุดความคิดของพวกเรานี้เองพอเราหยุดความคิดได้เราก็จะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเรามีความสุขที่เกิดจากการหยุดคิด แล้วเราก็ไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกายตายไปเราก็ยังมีความสุขได้ตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่มีร่างกายอันใหม่นะพระอริยสงสาวกไม่มีร่างกายอันใหม่แต่ท่านมีความสุขที่เกิดจากความหยุดคิดที่เป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงนั่นเองนี่คือเรื่องราวต่างๆของพระพุทธศาสนา ที่ได้นำเอามาฝากให้ท่านได้ยินได้ฟังกันในวันนี้หวังว่าคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยถ้าท่านลองนำเอาไปปฏิบัติแล้วท่านก็จะเห็นผลอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรอยาถาวาริวาหาปุราปาริกปุเรนติสาขลัง เอวะเมวะฮิโตทินังเปตานังอุปกัรปติ ยิชิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวาสมิจโตสัพเพปเรนโตสังกปาจันโทปนาราโสยธามณีโชติหาราโสยธาสัพพิตโยวิวัจจันตุสัพพารุโควินัสตุ มาเตภาวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภาวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง